หน่งปด้ว่าตามกันเอามาใจรวมนำกันห้าให้เกิดประโยชน์ในการที่จะดำรงชีวิตต่อไป ที่กลับมาดูเราเราเรียกว่ากูดูกูมึงดูมึงภาษาแว่มันถึงปุถุชนคนทั่วไปก็มองออกกูจะดูมึงมึงก็จะดูกูกลายเป็นเรื่องของปุธุชน อดีตชนก็มากด้วยตัวตนอารมณ์เราเลยทำหน้าที่การงานกันแบบเราดูเราหมายถึงกรรมฐานแลการทำงานเราก็ดูเรานั่นแหละอารมณ์ต่างๆความรู้สึกต่างๆมันก็เป็นความบริสุทธ ตามธรรมชาติตากระทบรูปรูปมากระทบตาหูมากระทบเสียงเสียงมากระทบหูเกิดปัจจัยขึ้นมาเราก็รู้ก็รู้ตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงแต่ในคือสติคือปัญญา เมื่อต้องเห็นถ้ามีแต่ถ้ามันลีโอูตายังไม่ลืมปัญญาชนยกไปเป็นอริยชนมนุษย์เป็นพระ <S S S S นะกำลังใจยังไม่มีภาระยังไม่มีก็ต้องกลับมาฝ <S S 2> นะึกเจริญสติก่อนนะการเคลื่อนการไหวในสำคัญดันยังกลมสร้างจังหวะ สำคัญรูปแบบถ้าเราทำเป็นนอกรูปแบบทำเป็นครมันก็จะทำอะไรก็ทำไปมันไม่น้นการกลับมารู้รูปตามนามธรรมมันนีเมีหนังสือพิมพ์ลงบางทีถ้าเราไม่ฝึกหัดปฏิบัติ ใส่เครื่องแบบบัวล้นนมหัวผ้าเหลืองอาจจะเป็นโจนได้ปนทองที่บัวใหญ่พาไปปากฏดูลาดเราอยู่ในเมืองสามสี่วันเสร็จเรก็เปลี่ยนชุดซื้อเสื้อผ้าแบบยาโจมปนเรียบร้อยเลย ตำรวจมาถามเห็นโจรไหมเมรนะไปหาจนตัวทิ้งมีดทิ้งเสื้อผ้าหมวกกันกนอกเอาไหมเจอเสื้อเจอผ้าไปถามอา้าวลันไหนขายขายใหาใครบอกขา ย, ขายให้กับร้านมาซื้อ ก็เลยตามไปจับจับได้รับสารภาพอเล่นบอลเปนน็นนี่พนันนี่ะผลการดกลับมาดูตัวดูสื่อดูบอลดูสาราพัดเดี๋ยวนี้มันก็ อ, อินเทอร์เน็ตมากมายแล้วกันทางบอลโต๊ะเถือนไปอย่างนั้นของเรานี่พยายาม ทีวีก็ไม่ได้ดูหนังสือพิมพ์เราไม่ได้ดู <Yeah. S 1> พอเรากลับมาดูข้างในกันดูกายดูใจรูปตามนามตามไม่เห็นความจริง <Yeah. S 1> ความจริงก็คือสิ่งที่มันเหนื่อยหนเบือ่อหนกลายจาง <Yeah. S 1> นิพพิทาวิลาคะเหนื่อยหน มีตัวเองสองสารตัวเองหายใจเข้าหายใจออกทำงานนิดนิดหน่อยหน่อยก็นเหนื่อยเดินไปเดินมามนก็เมื่อยบางทีนั่งยังไม่ได้ทำอะไร ห, หิวอีกแล้วเ <Yeah. S 1> ยน็ย น, ยนๆงี้พวกเราบัดได้กินข้าวกินปลากันถือศีลแปดวิการละโภชนาเวีรมุรีศิกาพระทางสมาธิยามิอด ตั้งแต่บายย่ายป็นต้นไปเที่ยงป็นต้นไปบางทีก็บอกเออหลังสิบสองนกากแปลงฟันให้เรียบร้อยบางที่ถือเคร่งคลาดขนาดนั้นเสษหนานติดฟันตะเกินลงคออาบัดปิดศีลถือกันมากของเราก็ไปถึงขนาดนั้นนะเพียงแค่ว่า มีความรู้สึกตัวพระก็ฝึกมีความรู้สึกตัวมีสติมีความรู้เนื้อรู้ตัวนะมีสติมันก็กลายเป็นพระาด้วยกันย่อเป็นปราลริยาบคุคคลสงเป็นปลาลริยาสองสองในความหมายคือสังฆทีิมเป็นสี่ลูกขึ้นไปสี่ลูกขึ้นไปต้องปฏิบัติ้วยนะถ้าสี่ลูกขึ้นไปไม่ได้ปฏิบัติก็เรียกว่าภิกษุ ภิกษุเ็คือผู้ขอนี่ใส่ผู้ขอ mm hmm. มานก็ึงเนี่ยเป็นหน้าที่การงานเป็นกิจกรรมอย่างมาเช้าที่หลวงพ่อทันเทศทุกสิ่งทุกอย่างได้มาเพราะญาติโยมเ mm hmm. จรินาสนา์ญาติโยมเสื้อผ้าเครื่องหนงังห่มจีวรสังฆติมากมายเหลือเกินมันก็เลยเป็นความสะดวกสะดวกที่จะกลับมาศึกษา เรียนรู้ในวภาาปฏิบัติการมันเป็นการกระทาที่มันพาเดินโดยตรงลัด ต, ตรงลงไปทุกการกระทบ ก, การสัมผัสมันจงมีรูปแบบในการฝึกเปรียบเหมือนเป้าโต๊ตตะกระสอบซายที่นิ่งๆเตะเมื่อไหร่มันก็โดนนะ ว่ายน้ำในสระยังไงก็ปลอดภัยดีกว่าไปเจอมรสุมในทะเลลึกเคลื่อนลมแรงแต่ถ้าวายแข่งแล้วไปเจญเลยนักมวยเก่งแล้วก็บนเวทีนั้ น, นเจอคู่ต่อสู้ที่มันมีไว้พิปิพานมันหลบมันเลียกแล้วมันก็นเอาเราคืนซะด้วยกลายเป็นศัตรูหัวลิเราต้องมีชั้นเชิงผสมพวน รู้จักฟุตเวรกรู้จักลูกหลอกลูกร่อนะเก็บอาการที่สำคัญตรงนี้สำคัญรู้จักเก็บอาการก็คือภาวะของรู้เฉยๆนั่นแหละอะไรมากระทบเฉยก่อนไม่รีบปล่อยเป็นความพอใจไม่พอใจนะี่ฝึกพิชาพระทําให้ฝึกมีความรู้สึกตัวมันก็ได้ช่อง ทำให้เราต่อแทะอดแอร์ air, แล้วก็หมดกําลังใจแต่เรายังมีการเคลื่อนการไหวอยู่เนี่ยมันก็เกิดพลังขึ้นมาเกิดกําลังขึ้นมานี่เพราะฉะนั้นเราก็จึงมาดูเราต่างคนต่างดูเราเราดูเราเราปลอดภัยคนอื่นก็ปลอดภัยเหมือนสมัยวิริการมี ครูกับสิทธ์ก็เล่นกายกรรมหาเงินกันครูรอยู่ข้างล่างลูกสิทธ์ก็ขึ้นข้างบนเหนะยียบบาครูขึ้นไปเล่นกายกรรมครูก็บอกรู้สิทธิ์ว่าให้ระวังตัวดีๆนะระวังดีๆเดี๋ยวอย่าหล่นลงมา รักษากตัวให้ปลอดภัยนะ mm. ลูกศิษย์ก็เลยบอกว่าครูก็ดูตัวครูเองกันแล้วกันเราก็จะดูตัวของเราเอง mm. เราดูเราครูก็ดูตัวครูต่างคนต่างดูตัวเองก็เชื่อว่าดูแลซึ่งกันและกัน mm. แล้วก็มีการมารู้ทำด้วยผู้ทรงก็ได้มาสอน เห็นว่สองคนนี้เหมาะที่จะชี้นำแล้วก็บรรลุธรรมได้จนทั้งลูกจิตมีการบรรลุธรามเกิดขึ้นใหม่เราฟังแล้วเราเออมันมีอย่างนี้ได้เหรอเหลือเชื่อเขียนไม่ได้ยังไงแต่มันก็จริงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละก็คือต่างคนต่างก็รู้สึกตัว เราม้ระวังไดเพราะความเป็นกลางความพอดีความเป็นปกติสมดุลอันนี้เป็นหลักในการที่เราจะกลับมาแลว้วก็สังเกตสุกสุกทุกท ก, ท ก, กเเปลี่ยนสุกข็ขไม่ได้เอาทุกก็ไม่ได้สนใจ มีก็ไม่เอาทุกมีก็ไม่ได้ใส่ใจนะมีแต่ความรู้สึกเฉยๆดู mm. เห็นเห็นแล้วก็แล้วก็แล้วไปนะึกถึงปีหนึ่งมารู้จักวความรู้สึกตัวแล้วก็รู้เฉยๆนะป้ายรู้เฉยๆมันไปสะดุดสะดุดกับป้ายก็ เขเขียนว่ารู้เฉยๆทิศลาไก่แต่ว่าตอนนี้มันหายไปแล้วนะไปอันนี้รู้เฉยๆไปเห็นโยมก็ทำงานแม่บ้าคาบ้านอยู่กลางๆวัดไว้ก่อนสักสิบกว่าปีน่ะนะเขาเลี้ยงไหมมีหม้อต้มไหมแล้วก็นั่ง คอยสาวไหมไมือก็หมุนลอ้อสายไหมก็มาจากหม้อต้มใจก็เย็นทำไปเรื่อยๆนิ่งๆเฉยๆเสร็จ <ๆ S 1> แล้วก็รูด <ๆ S 1> ก็รดอันนี้มันเป็นปมก็กตัดออกแล้วก็เอาดีๆมาต่อกันไอ้ที่มันเป็นปมเป็นเส้นมันแตกก็เป็นเกยที่เกลดนะ เกรดสองมีเกรดเบอร์หนึ่งพน้ำร้อนเกินไปก็เอาฟืนออกน้ำมันเย็นไปไม่ร้อนก็เอาฟืนใส่เกาเฉยๆนึ่งๆเสมอต้นเสมอปลายเรายืนดูก็สาวใหม่สบายแล้วเราไปยกมือร์ให้มลำบากทำไมไปเพ่งไปจี้ไปจ้อง เออนั่นแนหะคือการปฏิบัติธรรมกับการทํางานทํางานคือการปฏิบัติธรรมให้เราปฏิบัติธรรมกับเป็นเวรเป็นกรรมแผ่งจีจองหนักจนปวดหัวแน่นไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเราการทํางานคือการปฏิบัติธรรมแล้วก่อนเราทํางานเราเอาจริงเอาจัง ไม่ได้ทำแบบใจววางๆปกติพระเพียญาติเห็นโยมก็ทำงางินโยมโวางจิตวางใจเก่งเราก็น้อมกันมาแล้วก็ทำตามบ้างเวลา ย, ยกมือนั่งสร้างจังหวะใจสบายๆธรรมดารรมดาปัญหามีไม่เป็นไร อารมณ์เกิดขึ้นมาความมุง่งบางทีก็ฟุ้งซ่านเราก็เออกลับมากลับมารู้สึกตัวไม่ไปสนใจใส่ใจอารมณ์ต่างๆเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็กกไปเข้ามาทางไหนก็ไปทางนั้นเราก็เริ่มเห็นแล้ว ข้างในเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนแปลงได้มีการปรับปรงุงมีการเปลี่ยนแปลงปรับไปปรับมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็จึงกลับมาดูเราก็ต้องเห็นเราเห็นทำไมาตินในตัวเราจนกระทัมันเริ่มที่จะมีประสบการณ์มีความชำนาญเกิดเทคนิคเกิด ท, ท, ทักษะขึ้นมา นะมันมีเทคนิคมีทักษะในการปฏิบัติทำเช่นหลวงพเตียนก็พูดไว้ชัดนะเทคนิคการปฏิบัตินี้นะให้รู้สื่อนะรู้สื่อๆรู้เฉยๆนะรู้ตรงๆลงไปให้เป็นปัจจุบันนะกระทบรู้สัมผัสรูรนะ้วางกายกลา ๆ, ๆวางใจกลางๆท่านะนพูดว่างงั้นนะวางยังไงกายๆลใจกลาง อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีทำมาความอยากอยากรู้มันก็ได้ตัวอยากไปอยากเห็นก็ได้ตัวอยากไปอยากมีอยากเป็นก็ได้อยากมีอยากเป็นได้ตัวอยากไปให้ทำเฉยๆให้รู้ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ทำไปเรื่อยๆอย่างพอตอนเทศมจ้าไม่่ ขี้เกียจก็หยดย mm. ขยันก็ทำพอขยันก็ลมือทำขี้เกียจก็หยด mm. แล้วมาสองวันก่อนนั่นก็เตือนว่าอย่าทำไปคุยไป mm. ทำไปคุยไปเป็นอนุบาล mm. ทำไปแล้วยังง่วงไปง่วงสลึมซลือนะอนุบาลท่าน mm. กระปูให้ชัดนะเพราะนั้นตลอดวันวันเราสังเกต อารามณ์อะไรที่เราสามารถผ่านได้ครับผ่านซะวันนี้เราจะซัด ก, กับตัวง่วงวันนี้จะสัด ก, กับตัวฟุง้งวันนี้เรากับตัวเมื่อยต้องเข้าใจทำแล้ผ่านคําว่าผ่านคือมันเกิดปัญญาขึ้นมาจริงๆนไม่ใช่อดทนทนจนเข็ดบางทีมันเข็ดมันลาไปเลยพอจะเข้ากรรมฐ า, านนีมันขยดนเพราะว่า เราไปทนลุยจนกระทั่งมันไม่ใช่เป็นลักษณะของปัญญาพาผ่านมันเป็นการเก็บกดเพราะเดาธรรมจะมีการเก็บกดเพราะว่าบางทีเรายังไม่เข้าใจสภาวานะธรรมกดเอาไว้ข่มมาไว้อันนี้แหละบัลลังก์ก็จะดีถ้าออกมามันก็จะเด้งออกไป อาจจะกำเริบหนักผระเก่าอดตนอดตนอดตนกั้นกลั้นกล้นจนได้จนระเบิดมึงไม่รู้ไงว่ากูเป็นใครมึงจะเป็นอย่างนั้นไปเก็บกบกดเกิ น, นเก็บกดแล้วก็ ก, บกรบเกลือนก็หมายถึงาเฉใจไปเลยการนี้ทาอะไรก็ทําหนักผ่าเก่า กำเริบปาเก่ า, ก, ากินเหล้ามากปาเกา่าสุประรีหนักปาเกา่ากินกาแฟก็มากปาเกา่าบางทีก็เกิดอาการที่เรียกว่ากล่อมตัวเองขึ้นมาปฏิบัติมันเป็นอารมณ์นะพวกนี้อารมณ์ที่ขณะปฏิบัตินะบางทีมันก็ กลอมตัวเองขึ้นมาเป็นความคิดมั่งหรือบางทีก็หนังสือบ้าง cd ดีบ้างอย่างเช่นข้อที่แล้วเนี่ยมีผู้กำกับของแก้งข้อมาปฏิบัติอยู่ด้วยนทยตำรวจใหญ่มาปฏิบัติก็ตั้งใจมากเดินยัง ก, ง ก, งกง้มก้มหน้าก้มตาเดินอยู่แถวหน้าพระไตพปดกเสร็จแล้วเราก็เห็น ได้ประสบการณ์สอนตนคนเป็นผู้นำคนคนจริงเคยฝึกประเภทนักเรียนในร้อยตำรวจกันคนจริงนะพอฟังจะประเด็นได้ก็ไปทำมีวันท้ายวันที่ห้าวันที่หกก็เปิดแผ่นลพมพ่อเขียนให้ฟัง เป็นคําเทศในเช้าวันนั้นทั้งสองวันท่านก็บอกว่าสบายโอ้เปิดแล้วมันดีจริงๆก่อนเปิดให้มันรู้สึกว่ามันปฏิบัติแล้วมันก็หนักะนะแต่พอเปิดแล้วมันสบายเดี๋ยวบ่ายนี้ขออีกนะบ่ายเนี่ยขออีกขอเดินปฏิบัติแล้วก็ฟังเทศฟังเทศไปด้วยนี่แหละคือการคือกล่อม บางคนอาจจะขับรถไปแล้วก็เปิดรายการต่างๆหรือว่าแผ่นซีดีกล่อมบางคนอยู่บ้านอาจจะเปิดเสียงทำวัดสดมนต์ทำวัดเย็นอลังสัมมาสัมพุทโธปกวาพุทธังปะวันตังอภิวาเตมิสวากขาตโตปะกวตาตโมตัมมังนาหามิ เปิดทำัดเย็นแบบเป็นบาลีไม่ได้แปลเป็นไทยหลวงตีก็แปลเป็นไทยเคยเห็นแล้ ว, ล, วล้วก็จะรู้สึกว่าเออสบายอยู่แล้วสบายเหมือนกับมีเพื่อ น, นมีเพื่อนมีเสียงเป็นเพื่อนพร้อมฟังสบายมันก็จะเป็นการกล่อมดฉะนั้นเราลักษณะเป็นแบบไหน หรือบางทีเราปฏิบัติแล้วเราก็เดินไปคุยไปอันนี้ก็กล่อมเหมือนกันนะเป็นการกล่อมเหมือนกันเพราะฉะนั้นปฏิบัติทำต้องวางกายกลๆวางใจกลางๆส ะ, ะพาว่างความเป็นกลางก็คือมันจะเกิดความกลมกลืนการลมและเกี่ยวข้องถูกต้องไม่ว่าลมอะไรเกิดขึ้นมาเพื่อนคุยเราไม่คุย เ, นนเพื่อนทําเสียงดังเราไม่ทําเสียงดังนะ ล้วก็รู้เฉยๆไปตัวนี้ะเป็นตัวเดินทางเป็นตัวที่จะทำให้เราไม่ใจเบื่อหน่ายกายจางอย่างเดียวมันเป็นวิมุตตหลุดพ้นเลยหลุดพ้นจากอารมณ์ขณะต่อขณะตัวรู้เฉยๆรู้ซื่อๆดัะนั้นเทคนิคต้องมีทำจนถ้มันเกิดทักษะมีความชำนาญขึ้นมาทักษวะว่ามันมีความชำนาญ เห็นปั๊บผ่านปุ๊บง่วงผ่านทันทีเข้าใจทันทีมันคืออะไรคิดปั๊บรู้ทันทีเข้าใจทันทีมันคืออะไรมันเป็นการสัมผัสรู้สัมผัสรู้รู้ที่กายที่ใจของเราทําหลายวันแล้วหนก็จะมีประสบการณ์เหมือนๆกันทุกคนนั่นแหละมันก็จึงทําในรูปแบบก็ได้นอกรูปแบบก็ได้ จะต้งเกปัญญาลูกาลาเทสาฐานนัฐานน ะ, น, ะนะรู้เวลาไหนควรทําอะไรเวลาไหนควรคิดเวลาไหนควรพูดเวลาไหนควรทําอะไระ <c oughs> ปัญญาเป็นอย่างงั้นไม่งั้นก็จะเรียกว่าดื้ อ, อด้า น, นภาษาหลวงพ่อเรียกดื้ อ, อด้า น, นถ้าดื้ อ, อด้านก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วทั้งดื้อทั้งด้า น, นมันก็จะมีเรื่องที่ต้องบอกต้องสอนบางที ไม้อ่อนดัดง่ายอ่ะไม่แกดัดยากก็ได้นะก็ต้องปล่อยใปลุกปลังไปนะเราจึงมาอยู่เกี่ยวข้องกันวันนี้มีอาจารย์สุรินทร์ก็มาถามว่าเอ้เนี่ยอายุมากแล้วเนี่ยจะให้บวช ด, ดีไหมอาจารย์ว่าไงนะอายุมากแล้วเน่ยอาจารย์ว่าไงเพราะปกตินะพระจะบวชเนี่ยต้องถามหมู่สงฆนะ์ต้องถามหมู่กันว่าจะให้บวชหรือไม่ให้บวชบางทีแก่แล้วมันสอนยาก แก่แล้วบางที่มันมีอะไรมากมายเหลือเกินอายุมันนานนะลาตีมันนานรู้ลาตีมามากๆอาบน้ำมาก่อนพอมาเจอพระ ล, ล, ลุ่นลูกรุ่นหลานบวชก่อนมันตายเยอะมันก็บางทีทําตัวยากเหมือนกันคณะสงฆ์หมู่สงฆ์อะไมาถามกันว่าเออใจบวชไปเนี่ยก็เลยบอกเออไม่เป็นไรลูกหาตายในผ้าเหลืองนั่นแหละไม่เป็นไรมาอยู่วัดอยู่ว่ า, วาตายคาผ้าเหลืองนั่นแหละ จะปฏิบัติไม่ปฏิบัติไม่ว่ากันนะพอเดี๋ยวตายสุดมันจะเป็นลักษณะที่ว่าพออยู่นานๆมันก็จะมีอาการแก่วัดแหะนะที่สำกัญพอแก่วัดปั๊บเดี๋ยวมันจะมีกรอบของพระวินัยอะไรต่างๆมากมายเวลาลงประชุมกันลงปฏิโมกกันแต่ว่าที่นี่หลวงพ่อเกียรติท่านก็เมตตาสูงส่ง ใครจะอยู่ยังไงใครจะไปยังไงใครจะเป็นยังไงใครจะมายังไงไรด่รดีรับหมดรับหมดอย่างยุคนี้นะการอยู่การกินเสนาสน์นี้ก็ทํากันไม่พอตลาดนี้ขยายแล้วขยายอีกเพื่ออะไรก็ไปพวกเราปฏิบัติธรรมกันธรรมาการอื่นเนื้อไม่นิยมด้วยความรู้สึกส่วนตัวไม่นิยมแต่โดยเมตตาก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ามันไม่มีผลต่อการปฏิบัติในแง่ที่รู้มรรคผลนิพพานกันแล้วก็ปัญญามันเดินจะนั่งอยู่กันอย่างกลมเกลืนแล้วก็เกิดสันนิษุสันนิภาพนีตอนนี้มันก็เป็นตัวทำลายได้นะเราอยู่มันก็จะทำลายกันแล้วท้ายสุดก็คือเป็นกลุ่มมันก๊กคนนั้นไวอย่างนั้นคนนี้ไวาอย่าง น, นี้อันตอนนี้ให้รู้ไว้ทุกคนก็อยู่ด้วยบารมี ของประเด็จพระคุณของพ่อคำเขียนสุวรรณโนบารมีของพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลตอนนี้แต่ว่าเขาอยู่กันห่างๆนะพวกนี้ก็จะไม่ได้พูดอะไรกันมากให้เข้าใจไว้เลยลความรู้สึกตัวเนี่ยจะต้องพัฒนาจะต้องได้ประโยชน์จากการมาจะยุตเท่าไหร่ก็ตา ม, มถ้าไม่มีความรู้สึกตัว ก็ถือว่าอายุร้อยปีก็ยังไม่มีประโยชน์สู้เด็กวันเดียวแล้วมีความรู้สึกตัวกันไม่ได้อันนี้ทั้งได้ยินได้ฟังพระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งในตำรับตำราแม้ทั้งในพระไตรปิฎกเขาพูดเอาไว้เกิดมาร้อยปีสู้เด็กวันเดียวไม่ได้ที่มีความรู้สึกตัวหรือจับแถบเทียบว่าอย่างนี้ก็ได้ว่า หลวงประเทียนก็พูดไว้ชติว่าต่าตอยสร้างบสถสร้างวิหารถอดกระถินภาพป่าเท่าไหร่ก็ตามสู้การเคลื่อนมือรู้สึกตัวข้างเดียวไม่ได้แต่ว่าต้องรู้สึกตัวให้เป็นนะไม่ใช่ทำไปอย่างนั้นแหละอันนี้ทำไปเท่าไหรก็มันก็ไม่ได้รู้อะไรขึ้นมาหรอกหลวงพ่อเขียนนั่นจึงบอกว่าเออถ้างั้นก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกไปหางานทำดีกว่าทำไ้นั่นทำไนี่ทำไปโน่น ก็เรียกว่าเข้าสู่กระบวนการชาระจิตให้ขาวรอกไ่ได้ก็ต้องลดฐานลดฐานทำดีให้ถึงพร้อมเพราะถ้าหากเราไม่ทำดีใช้หลวงพ่อบอกว่ามันเป็นหนี้หนี้ใดยเฉพาะคนที่มีพ่อมีแม่หนี้ศักดิ์สิทธิ์ทีเดียวถึงพ่อแม่จะตายไปแล้วก็ตามเราจะอยุห้าสิบหกสิ0เจจะกี่ปีก็ตามถ้ายังไม่ รู้สึกตัวรู้ทําดียังไม่พอเท่ายังไม่ได้ทดแทนคุณอันนี้ยิ่งอยู่ยิ่งเป็นนี้ยิ่งอยู่ยิ่งบาปบาปเป็นไงก็คือทายสึกก็คืออยู่แล้วมันก็ไม่มีความสุขะจะเกิดการเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นทั้งกายวาจาใจตัวนี้นให้รู้ไวนะ้คือบาปเป็นมนะุกนรกขุมใหญ่ทีเดียวลวะมะหานรกนเอเวจีลึก ถึงเวลามให้ผลกันแล้วเราเป็นเรื่องทีเดียวนะฉะนั้นให้เระมันระวังกันใช้กายวาจาใจให้ดีๆอยู่วัดอยู่วาทุกคนนะต้องมีการอบกันลมการฝึกฝนตนเองจนให้เกิดสันติสุขสันิภาพนะ์สงบนะสงี่ยมสง่าสงัดนะพวกนี้ต้องมีเป็นคุณธรรมของคนที่อยู่วัดอยู่วา ใครมาเห็นก็นโอ้ชื่นชมอย่างวัดของเรานี่ดีมากคนอื่นๆเข้ามาเนี่ยก็ชื่นชมหมดเลยโอ้อยู่กันได้ยังไงคนอยู่กันเป็นร้อยางียบกิ๊บอย่างเ ด, เดี๋ยวเราอยดูนะวันที่สองที่จะมาถึงเนี่ยนะจะอยู่กันเกือบสามร้อยค น, นในวันเราเฉพาะกลุ่มที่เข้าก็สองร้อยแล้ววันที่สองนะ่ อาจารย์ภัยศาลเนี่ยมีฝรั่งไหมนะฮะแล้วเราก็จะอยู่นี่พระสงององค์เจ้าความรู้สึกตัวมันจะทำให้เป็นหนึ่งเดียวกันกลายเป็นต่างคนต่างกูดูกูกูก็จะไม่ดูมึงนะมึงก็ดูมึงกูก็ดูกูต่างคนต่างดูแลตัวเองกันมีกิจอะไรมีหน้าที่อะไรก็ดดใจ ก็ไม่เรียกว่าพยายามที่จะทำในรูปแบบแต่นอกรูปแบบก็ไม่ทำหรือว่าทำนอกรูปแบบแต่ในรูปแบบก็ไม่ทำเราก็จะไปเอาอย่างนั้นจนกว่าจะรู้ชัดรู้ชัดเรื่องของกายของใจบุญบาปเรื่องของสติสีสมาธิปัญญามรรตล น, นิพานตามระดับขั้นตอนของอารมณ์ปฏิบัติ ที่พ่อแม่ครูอาจารย์มันก็วางไว้เป็นขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะเราไม่ต้องจำเราทำมันก็เดินไปตามนั้นอยู่แล้วรอยนั้นนะรอยศีลอยทำรอยของทานของศีลของภาวนามันมีรอยอยู่เดี๋ยวตัวภาวนาทำห้เห็นนะมันมีสติมีตาในตาที่สามย ไ, ได้เห็นความจริงสจะทรมคือความจริงนะที่มันจริงจริง เมื่อสองวันก่อนก็เกิดนิมิตประหลาดขึ้นมาอาตมาเอง น, นะในขณะที่นอนแล้วก็นอนตอนเช้าเพราะว่าวันนั้นล้างสารพิษแล้วก็มีอาการ เ, าเช้าเช้าตื่นขึ้นมาตื่นมาปสัสสาะเสร็จก็ไปนอนเอ็นเองมันเกิดนิมิตขึ้นมาอย่างนี้นะ นิมิตว่าอยู่เมืองจีนตัวเน่ยตัวอยู่เมืองจีนแล้วร้อยเลยแล้วก็เห็นอาการที่จิตมันฟืดเข้าไปในความคิดขณะที่ปกติอยู่เราก็รู้ปกติอยู่ตัวเรานอนอยู่เห็นอาการนอนเรื่องก็ฟืดหายไปในความคิดแล้วก็เห็นสองสามครั้ ง, งนะนะแล้วก็มาอีกแล้วฟืดเข้าไปอีกแล้วก็เห็นอาการเนี้ยชัดๆตอนนอนแต่แล้วก็ ไม่ไม่ประคองว่าต้องมีสติหรือว่าต้องมากลับมาฐานกายไม่ประคองแต่เห็นอาการเนี้ยฟื้นอ่นะการ น, นี้ประเข้าไปก็เหมือนกับตัวเราหายไปแล้วแลว้วกวอยู่อีกมิตินหนึ่งในนั้นป ร, กรากฏว่ามีล่าหนักของเทพนะผู้ชายผู้หญิงเป็นคนจีนเขาบอกเขาก็าคือเทพหน้าตาดีแต่ว่าเราส่งภาษาไปให้เขาฟังเนียน่ยคนอื่นๆไม่รู้เรื่องนอกจากสองคนเนี่ยรู้เรื่อง แล้วก็บอกอย่าหลอกคนนะก็พูดอย่างเงี้ยจี้แน้ทางธรมานะอย่าลอกนะอย่าหลอคนนะบอกเฮ้ยไม่ได้หลอกถ้าหลอกก็หลอกอีกทีเดียวว่างเงี้ยในฝันนั้นนะล้อเล่นกับเขาถ้าหลอกก็ขอหลอกอีกทีเดียวเขาบอกจะลอกนะอาตมาก็เลยนั่นแนหะพอยอกกับเขาหย่อยังมีสติแย่เล่นกับเขาความคิดนะนี่ย มันมีกรอกของความคิดอยู่ในนั้นนะมันคือตัวเองกำลังคุยกับตัวเองนะั่นแหละแต่ว่านิมิตนั้นมันเหมือนกับมีเทพใจเชื่อว่าเทพเป็นความดีนะความคิดจิต ด, ดีพวกนี้ครั้นี้พอตื่นขึ้นมาเออนึกขำตัวเองวันนีนะ้มันเกิดความคิดขึ้นมาตอนเช้าเลยนะตั้งแต่เช้าเลยไนงะ หลังจากที่เราไม่ได้กลับมาฐานกายรู้สึกตัวรู้สัณฐานสติมันเด่นมันเข้าไปฝันเป็นนิมิตเราก็รู้อยู่มันมีเทพนิมิตจิตนิวนรังสังหอนธาตุกรรมเลิฟเวลา น, นอนเราก็คิดฝันกันเ ก, กินปรากฏอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมชาวนั้นเนี่ยมีวฉือไปนั่งยองๆ อ, อยู่หน้ากรวดหลังจากเช้าตื่นมาเป็นคนจีน แล้วก็พูดคำแรกอ ก, ก, ก็บอกว่าไง อ, อาจารย์อย่าหลอกเมี้ยวเฉือนะอย่าหลอกนะอย่าหลอกเมี่ยวเฉือนะอาจารย์ว่าจะไปเมืองจีนกับเมี้ยวเฉือจะไปเมืองจีนกับเมี้ยวเฉืออย่าหลอกนะไปได้ไหมอาจารย์ไปคนเดียวเมี้ยวเฉือไปด้วยพูดอย่างนี้เมันคืออะไรอมาม่าเออ อาการนี้แสดงว่าถ้าอยากคิดต่อนะคิดต่อสนุกดีเรื่องแบบนี้นี่ก็คือลักษณะของเครื่องรับนึกออกไหมเครื่องรับเครื่องส่งเวลาเราปฏิบัติธรรมบางทีมีเครื่องรับเครื่องส่งเช่นนี่ไม่ได้พูดให้เป็นปฏิหารนะแต่พูดให้ฟังเป็นประสบการณ์ว่าเ อ, อหลายคนก็มีหรอไอความคิดประเภทนี้ หลวงพ่มเขียนนียท่านเวลาเคลื่อนมือเราก็รู้แล้วจวังหวะท่านท่านมีอาการบางอย่าง้ท่านเคลื่อนมือเราก็รู้ว่าเราต้องรับปุ๊บทันทีส่งตัวอาหารหรือว่ามอข้าวอะไรก็ตามก็คือมันเป็นภาษ า, าการนะมันไม่ต้องใช้คาพูดมันมีปฏิยาทัานทีเวลาจิตเราไหวๆเ ว, วลาจะทำอะไรไะก็เรียกว่ารู้ มองหน้าก็รู้ใจดูตาก็รู้ใจบางทีก็ไปอย่างนั้นก็ไนดะ้พลังต่างๆพวันมันมีอยู่นะแต่ว่าเราปฏิบัติธรรมเราไม่ได้เอารทดทิปาฏิหารวิธีหลวงพูเทเดียนเนะีพวกฤิดทิทั้งหลายไม่เอาทั้งหมดเนะพราะฉะนั้นที่พวกนี้อย่าหลงนะอย่าหลงที่เห็นเลขท้ายเห็นลอตเตอรีนะ่เห็นนั่นเห็นนี่หลวงพูเทเตียนท่านพูดชัดนะตัวเลขมันออกมาเลย ้ตัวเลขมันออกมาเหมือนจริงมากเลยเคยได้ยินได้ฟังท่านมาดูหัวแม้เท้าระหว่างหัวแม่เตียนกับตัวเลขอะอะไรมันจริงกว่ากันถ้าเป็นโยมโยมจะตอบว่าไงอะไรจริงกว่ากันเลาออกความคิดที่คิดเห็นเลขกับตัวของแม่เท้าหัวแม่เท้าอะไรคือตัวจริงกว่ากันเฮหัวแม่เท้า ผมไม่ได้เอาแหละจริงตั้ผัดได้จริงๆริงแต่เพราะด้นความคิดทั้งหลายทั้งปวง<น>เราไม่สนใจะลยจะเป็นคิดดีขนาดไหนก็ตามเป็นฤทธิ์ที่ปฏิหารขนาดไหนมันจะคิดตรงขนาดไหนแตเพราะด้นติดรู้เนะี่ยเราก็ไม่เอาเหมือนกันนะติดรู้อะไรก็ตามเพราะด้นอ ย, า, อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีแล้วก็ไม่ต้องติดรู้แตามันรู้ก็เป็นรู้แล้วก็ผ่านไปนะ อันนี้จะเป็นการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตของเรานะที่มันจะพาไปสู่นะจดหมายปลายทางนะก็คือเนื้อเกิดเนื้อแก่นืเจ็บเ น, น, น, นื้อตายนื้อทุกตรงนี้แหละเกิดสันที่สุขที่ภาพของเรานะที่เราจะได้ใช้กับตัวเราเพึ่งหลวงพ่อคอเตศบอว่ายิ้มได้ปลาัยมาไม่จะยิ้มใแย่ๆนะยิ้มได้ปลภัยมา เวลามลณะภัยมันเกิดขึ้นมาแล้วยิ้มได้หร you know ือภัยวัฏตาสงสารเกิดขึ้นมาขณะปฏิบัติธรรมวันนี้เราได้ยิ้มให้กับเรงมากน้อยแค่ไหนเวลามีความเบื่อเกิดขึ้นมายิ้มน้อยนให้มันหรือเปล่าเวลาเกิดความง่วงเกินมายิ้มน้อยนกับความง่วงหรือเปล่าเวลาเกิดอาการกัเพื่อนทําให้พอใจไม่พอใจขึ้นมายิ้มให้กับเพื่อนหรือเปล่าเป็นดีนะลอยยิ้ม ไม่ยิ้มเพราะว่าเสียแรงแก้งทำแต่ว่ามันเป็นรอยยิ้มที่มันรู้แล้วนะเกิดอารอะไรขึ้นมาปัญญามันพาผ่านมันรู้แล้วนะก็ยิ้มได้หน้าตาก็ผ่องใสขึ้นมาทำงานทั้งวันนะแต่ว่าไม่เหน็ดไม่เหนื่อยหมายถึงจิตถึงใจรนะ่างกายมันต้องเหนื่อยเป็นของธรรมดาแต่จิตใจเขาเราก็รู้สึกเออมันก็ รู้สึกมีพลังประธรทำดีมาทั้งวันปฏิบัติธรรมกันทั้งวั น, นมันก็จึงเหมือนเหมือนกันแหล ะ, ะต่างคนต่างใช้ลูกทนานรทำใช้กันห่าซึ่งมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวนะไรแแต่ว่ามันเป็นส่วนประกอบนในเพราะร่างกายเราเป็นมนุษย์นมนุษย์ก็คือมานา่ากุศยะก็คือผู้ที่มีใจสูงล่างก็เป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์ใจสูง เราก็เลยได้คิดโดยความเป็นมนุษย์นั่นแหละอยู่ในโลกมนุษย์เราคิดทานั่นทํานี่ทํโน่นอย่างวันนี้ก็ขออนุบัณาญาติโยมเห็นว่ามีการทํางานทําการก็เอาค่าปูนค่าต่อเติมมาบุญมันเป็นอย่างนั้นก็เลยนึกถึงพ่อเจ้าหลวงพระทันเทศว่าเวลาทําดีทําอะไรกันนะนะทุกคนนันะ เมื่อจะมีเทวดาร้อนก้นเกิดขึ้นไหมานางเมกะหลายใช่ไหมพระเจ้าหลวงพ่อทันเทศกับพระหมหาชนกหมหาชนกนึกถึงคุณเงินของแม่ที่ให้ยิบยืมมา ข, า, ข, า, ข, า, ขายแล้วเกิดเรือแตกอับปางหมหาชนกกระโดดโดยเรี่ยวแรงของบุรุษก่อนที่จะกระโดดก็มีสติด้วยนะเอาน้ำมันมาทาตัวจนมันแม่น้าทะเลมันซึมก็แบจะได้ลอย เจแล้วก็ทาตัวมันดีกระโดดไปก่อนกระโดดยังกินน้ำอ้อยเอาความหวานเอาพลังงานไว้เอาอมใส่ปากไว้แล้วกระโดดลงไปเสร็จแล้วก็ไปลอยคออยู่หลายวั น, นจนกระทั้งมีวันพระก็ระลึกได้วันนี้สังเกตดูงานดูตองฟ้าประจันเต็มดวงวันนี้วันพระ ก่น้ําทะเลมากลั ว, ลวๆบ้วนจะมาทานศีลแล้วก็ไหว้ไปแม้กระทั่งไม่ถึงฝั่งก็ทักฝั่งอยู่ไหนไม่รู้ไม่เห็นแต่ก็ยังไหว้ยอยู่เมฆาไหามาถามว่า อ, อแม่ไม่เห็นฝั่งก็ยังไหว้ยอยู่ได้เหตุอะไร <Yeah. S 1> หมาเจ้าหน้าก็บอกว่าก็ได้เหตุที่ว่าตอนเนี้ย ถึงไม่เห็นฝั่งก็ต้องแวกไหวต่อไปถ้าตายพระแหวกไหวนะผู้ที่รู้ญาติรู้พ่อแม่เรานะก็จะได้ไม่ตําหนิไม่ว่าเราได้เพราะเราได้พึ่งตัวเองเต็มที่แล้วอันนี้ก็คือการพึ่งตัวเองเป็นองค์แห่งความเพียรเมกะลาดได้ยินอย่างนั้นก็ อ, อ, อุ้มเหมือนกันไปเลยช่วยเรีว่าเทวดาต้องช่วยร้อนคนดีต้องช่วย ฉันใดก็ดีนะปฏิบัติธรรมแม่ไม่เห็นฝั่ ง, ฝ, งฝั่งพนันธิพันธ์อยู่ตรงไหนก็พระครูาอาจารย์ท่านก็พูดไปถึงจดหมายไปทางตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นความไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรดูไลเ่เห็นเห็นแล้วไม่เข้าปเป็นเป็นมันคืออะไรกันไปรู้ก็ต้องยกมือสืบสียงว่าเดินจงกรมต่อไปเพราะว่ามันถึงทุกขนาอยู่แล้วนแต่ว่าเพียงแค่ฝั่งมันไกลเหลือเกินองค์ความเพียนตรงนี้ก็เปรียบถังว่า เหมือนกับเอามาล็ดงานไปถมหมาสมุทรให้มันเต็มโอ้มันก็ยากนะหรือเปรียบเหมือนกับว่าเทวดาห่อมาร้อยปีเอาผ้าแพรชั้นดีมาปัดเขาพระสุเมนจนถ้ามันเรียบเป็นหน้ากองชัยมันเป็นความเพียรขนาดนั้นนะเป็นความรู้สึกตัวต้องทำให้ถูกต้องแล้วก็ต่อเนื่องต่อไปเนะมื่อไหร่ก็มานั้นแหละ ทีสภาว่ามันจะปรากฏอย่างั้งปัญญามันแตกช้นขึ้นมาเหมือนกับพ่อแม่ครูอาจารย์หรือว่าพระตัวทั่ไปที่ท่านปฏิบัติดีประเัติชอบอยนัเพราะนั้นก็ขอให้ความดีของเราทั้งหลายนั้นที่อุตส่าห์ตั้งอกตั้งใจมาพัฒนากายพัฒน า, นาจิตนว่าการฝึกสติปฐาน4ี่ในรูปแบบนอกรูปแบบก็ขอให้องงแห่งความเพียรที่เราทําอย่างต่อเนื่องแล้วมีความถูกต้องด้วย ก็พาไปสู่จุดหมายปลายทางก็คือความพ้นทุกข์ก็ขอให้บังเกิดในปัจจุบันอันใกล้นี้ด้วยตัวหน้กกันทุกท่านทุกันทั้นเธอ